ตอนที่63าเยโถูกพาตัวไปแล้วเลือดไหลซึมจากมุมปากหยดลงมาทีละหยดยิ่งขับเน้นให้ใบหน้าเล็กๆของนางดูซี่เพื่อดลงไปอีกนางชั่นโม่เขาวนักมีบทเรียนจากชาติที่แล้วแท้ แ, ทแต่ชาตินี้ยังจะฝากความหวังไว้ที่หลิงเซินอีตอนที่หมอ น, นั่นเดินออกจากคุกหลวงไปก็ไม่ได้รับปากเสียหน่อยว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด ชาติก่อนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาลำเอียงเขาข้างเสียชิงจือต่อให้สืบรู้ว่าเสียชิงจือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเขาก็คงจะช่วยนางปกปิดอยู่ดีนางชะล่าใจเกินไปผิดพลาดเหมือนจริงๆรลินเซินพูดถูกหากไม่มีความคาดหวังแล้วจะมีความผิดหวังได้อย่างไรนางไม่ควรคาดหวังในตัวเขาเลยจริงๆไม้โบยยังไม่ทันสิ้นสุดเยวาวก็สลบสลายไปเสียแล้วร่างกายของนางอาบไปด้วยเลือดทหารหยุดมือแล้วรายงานว่าใต้เท้า นางสลบไปแล้วขอรับเฮอร์ต้าจื้อเดินลงมาพินิจ ด, ดูอย่างละเอียดก่อนจะสั่นกำชับเสียงเบาคุมตัวกลับไปที่คุกแต่อย่าขังรวมกับแม่ทัพน้อยเด็กขาดแล้วก็หาคนมาทานยาให้นางให้ดีเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สะอาดด้วยทหารมีสีหน้าตื่นรนกแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งลินเซิร์นถ้าจะส่งคนสนิททั้งหมดออกไปตามหาคนขับรถม้าขนสเสบียงผู้นั้น คนงานที่ต้มโจ๊กไม่กี่คนนั้นถูกพบตัวแล้วพวกเขายอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าได้รับเงินมาเพื่อให้ทำเป็นมองไม่เห็นว่าข้าวเหล่านั้นเป็นข้าวสารขึ้นราทว่ากลับไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนเอาเงินมาให้ผู้อยู่เบื้องหลังฉลาดมากวางแผนการได้อย่างรอบคอบยิ่งนักยิ่งเป็นเช่นนี้หลินเซิรนก็ยิ่งร้อนใจหากไม่มีเบาะแสอื่นเยาว่าและเยาว่าก็คงต้องกลายเป็นแพรับบาปถึงเวลานั้นแม้แต่คนในโจรกัวกงก็คงยากจะพ้นผิด ยามดึกสงัดในที่สุดก็มีข่าวคราวแจ้งมาเรียนซื่อจือ่อพบศพคนขับรถมา้าที่ป่าไผ่ชานเมืองตะวันออกดูเหมือนจะถูกโจรป่าที่อารวาดแถวชานเมืองตะวันออกฆ่าชิงทรัพย์ขอรับหลินเซินผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีตายแล้วหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพยักหน้าเงียบเงียบหลินเซินโกรธจนคว้างพุยชาทิ้งเมื่อคนตายก็ไร้หลักฐานยืนยันเบาะแสจึงขาตอนลงทันทีพาข้าไปดู หลินเซินรีบควบม้าตามลูกน้องตรงไปยังป่าไผ่ทันทีศพของคนขับรถไม้ยังคงนอนอยู่ในป่าไผ่เส้นเลือดใหญ่ที่เขาถูกตัดขาดเลือดนองเต็มพื้นบนตัวไม่มีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่เลยเป็นวิธีการของโจรป่าจริงๆฆ่าคนได้อย่างเฉียบขาดและรวดเร็วหลินเซินลุกขึ้นยืนมองไปยังป่าไผ่อันกว้างใหญ่กัดฟันสั่นการระดมทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดออกไปกวาดล้างโจรป่านานเฟิงและชางจวินสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากทั้งคู่รีบขูดเข่าลงเกลี้ยกล่อมทันที ซื้อจื่อปลดตรตรองด้วยทหารรักษาพระองค์มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเมืองหลวงมิอาจเคลื่อนย้ายได้ตามใจชอบอีกทั้งโจรป่าซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกไม่รู้ตำแหน่งแน่ชัดและไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าใดนอกจากนี้ต่อให้กวาดล้างโจรป่าและจับตัวคนร้ายได้ก็ใช่ว่าจะพบเบาะแสเสมอไปนะขอรับการเคลื่อนย้ายทหารรักษาพระองค์โดยพลาการหากฝ่าบาททรงทราบื้อจื่ออาจถูกปลดจากตาแหน่งได้นะขอรับ สิ่งที่พวกเขาพูดมานั้นถูกต้องหลิงเซินสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลับตาลงแน่นเพื่อสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็วจะปล่อยให้เบาะแสะขาดช่วงไปแบบนี้ไม่ได้แต่หากไม่ใช่ที่นี่แล้วจะไปสืบจากที่ไหนได้อีกต่อให้เขารู้ว่าเซียชิงจืออาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่เขาก็ต้องมีหลักฐานยืนยันทันใดนั้นบางอย่างบนพื้นก็ดึงดูดสายตาของหลิงเซินเขาหยิบคบไฟจากมือลูกน้องแล้วก้มตัวลงขี้เอาข้าวขาวสองเมล็ดออกมาจากกองใบไม้แห้งที่ร่วงหล่น นานเฟิงและชังจวินขยับเข้ามาใกล้มองหน้ากันด้วยความชงมนเหตุใดที่นี่ถึงมีข้าวขาวได้ลินเซิร์นดีตาพินิษ ด, ดูอย่างละเอียดก่อนจะเอ่ยต่อแถมยังเป็นข้าวขาวชั้นเลอเสียด้วยหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งลินเซิร์นก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งและสั่งการอย่างรวดเร็วนานเฟิงเจ้าพาคนไปตรวจสอบคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถมาผู้นี้ให้ดีชังจวินเจ้ามานี่ ลินเซินกระซิบสังการบางอย่างที่ข้างหูชางเจวินเผยสีหน้าตกตะลึงลินเซิ์นส่งสายตาปรามเพียงครั้งเดียวเขาก็รีบพาคนจับไปทันทียามเช้าตรูล่ลินเซิร์นกลับเข้าเมืองและตรงไปยังคุกหลวงจิงจ้าอิ่งทันทีประจบเหมาะกับที่เขาเห็นเจวินซื่อสเสวียถูกขวางอยู่ที่หน้าประตูจนเข้าไปไม่ได้การที่จู่จู่ก็ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมเยเวาและเยว่าย่อมต้องมีเงื่อนงาบางอย่างแน่นอนลินเซินก้าวไปข้างหน้าแล้วถีบทหารยามที่เฝ้าประตูจนกระเด็นถอยไป เมื่อเห็นว่าเป็นหลิงเซินทหารยามก็ไม่กล้าขวางอีกยอมปล่อยให้พวกเขาเข้าไปแต่โดยดีในคุกเหลือเพียงเยว่าแค่คนเดียวไม่เห็นเงาของเยว่าเขากําลังร้อนใจจนเดินวนไปวนมาพอเห็นหลิงเซินโผล่เข้าไปที่หน้าประตูคุกก็ถามทันทีเย่าเยาละ่ะพวกเจ้าพานางไปไว้ที่ไหนหลิงเซินขมวดคิ้วแน่นเย่ายถูกพาตัวไปงั้นหรือเจวินซื้อเวียรีเปล่าวเมื่อวานข้าก็ถูกขวางไม่ให้เข้า ตอนนั้นข้าก็รู้สึกว่ามีพิรุษวันนี้จึงรีบมาตะเช้าหากไม่ใช่พระมีท่านซื่อจะอยู่คาดว่าคงเข้ามาไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เยโยถูกพาตัวไปท่านซื่อจือกลับไม่รู้เรื่องเลยหรือเยว่าใช่แล้วเยโยถูกพาตัวไปเมื่อวานนี้บอกว่าใต้เท้าเหอต้องการสอบสวน่าบาททรงให้จริงเจ้าอิ่นช่วยซื่อจือสืบสวนเยาวๆไม่อาจขัดราชโองการได้ไปแล้วจนป่านนี้ยังไม่กลับมา นี่ก็ผ่านมาหนึ่งวันหนึ่งคือแล้วสีหน้าของหลินเซินดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเขาหันหลังเดินจากไปเราข่าวจากข้าเหอต้าจื้อยังอยู่ในความฝันก็ถูกหลินเซินลากออกมาจากผ้าห่มแล้วทุ่มลงกับพื้นอย่างแรงจนเขาร้องโอดครวนบรรดานางสนมไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนต่างพากันหวาดกลัวจนหดตัวเข้ามุมเตียงกอดผ้าห่มแน่นไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงร้องพูดมาเจ้าพายยยๆไปไว้ที่ไหน เฮอร์าจื้อเพิ่งตื่นจากฝันทำหน้าเบี้ยวขอความเมตตาท่านซื่อจื้อโปรดระนับโทสระงับโทสด้วยเถิดผู้น้อยเพียงแต่เปลี่ยนให้ท่านหญิงไปอยู่ที่ห้องขังหญิงที่สะอาดเรียบร้อยกว่าเดิมอย่างไรเสียชายหญิงก็มีความแตกต่างจะให้ขังรวมกับแม่ทับน้อยตลอดไปได้อย่างไรกันลินเซินประหลาดใจอย่างมากกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยเจ้าจะมีน้ำใจเช่นนั้นเชียวหรือเหอต้าจื้อกุมก้นพังทำหน้าเศร้าหากซื่อจื้อไม่เชื่อก็ไปดูได้เลยใครก็ได้ พาซื่อจื่อไปพบท่านหญิงลินเซินปล่อยตัวเหอต้าจื่ออย่างระแวงแล้วเดินตามทหารยามไปพ่อเขาไปแล้วเหอต้าจื้อก็กระโดดพลดขึ้นมาลากนางสนมวิ่งหนีทันทีเร็วเข้าหากไม่หนีตอนนี้ชีวิตคงไม่รอดแล้วลินเซินเดินตามทหารยามนำทางมาจนถึงคุกหญิงที่ดูสะอาดสะอ้านกว่าจริงๆริงเยวถูกขังอยู่ด้านในสุดนางเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สะอาดแล้วแต่กลับนอนฟุบอยู่บนกองฟางนิ่งสนิท ใบหน้าเล็กๆนั้นซีดขาวจนไร้สีเลือดดวงตาทั้งสองปิดสนิทลมหายใจแผ่วเบาราวกับจะขาดห่วงเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติยาวๆลินเซินผลักทหารยามออกไปแล้วหักโซ่กุญแจพุ่งเข้าไปได้นในทันทีเยววาได้ยินเสียงเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเข้ามาถึงตรงหน้านางแล้วยื่นมือออกไปหมายจะประคองทันทีที่สัมผัส ต, ตัวเยววานางก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดใบหน้าเล็กๆบิดเบี้ยวเข้าหากันเหนื่อยเย็นผุดพรายเต็มหน้าผากอย่าแต่ต้องข่า ลินเซิร์นชักมือกลับราวกับถูกไฟลวกเกิดอะไรขึ้นเหยาเหยาเจ้าเป็นอะไรไปเยวมองเขาด้วยสายตาเครียดแค้นไม่อยากพูดจาไราสาระซื้อจือสืบหาความจริงเรื่องข้าวสารขึ้นราได้หรือยังข้าพอจะมีเบาะแสแล้วเมื่อวานเหอต้าจื้อสอบสวนเจ้าเขาทำอะไรเจ้ากันแน่ได้ยินดังนั้นเยวอก็หัวเราะเยาะทำอะไรน่ะหรือนางไม่อยากดิ้นรนพระนั่นจะยิ่งทำให้เจ็บกว่าเดิม นางก้มหน้าลงแต่น้ำตากลับร่วงหล่นลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวหัวใจของลิงเซอร์บีบคั้นอย่างรุนแรงแต่เขากลับมองไม่เห็นว่านางบาดเจ็บที่ตรงไหนเขาถามอย่างร้อนรนเจ้าบาดเจ็บที่ไหนกันแน่ทําไมถึงบาดเจ็บได้เจ้าคนชั่วเหอต้าจื้อ น, นทําอะไรเจ้าเยววาร้องให้พลางยิ้มเมื่อขยับกล้ามเนื้อก็เจ็บแบบจนต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆท่านซื่อจื่อรับผิดชอบพดีนี้อย่างเต็มตัวกลับไม่รู้เลยหรือว่าเฮอต้าจื้อทําอะไรกับข้า เมื่อวานเขาเปิดสารสอบสวนบังคับให้ข่ายอมรับผิดเรื่องยักยอกสเบียงกรังค่าไม่ยอมเขาจึงสั่งบบยข่า20ไม้